ดังเลฮะอังทำกันช่วยกันช่วยกันหลายทางให้มีการศึกษาเหมือนพระลาหนุนพระลาหุนเนี่ยกบ เม็ดทายขึ้นมายกขึ้นชูทั่วหวัวก็ข้าพเจ้าจะมีการศึกษาเท่ากับเมล็ดชายในกร ม, มือในกอบมือของข้าพเจ้านี่อย่าเพิกเฉยเลยละอะไรเกิดขึ้นกับเราก็บนอกตัวเราสิ่งอื่นวัตถุอื่นเพียพยายาม พื่ศึกษาให้ทะลุทะลวงในสิ่งนั้นๆเครื่องมือการศึกษาก็คือธรรมะมีสติมีสัมมจัญญามีความเพียรมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธา อย่าให้ขาดแสนแะหลายทางเครื่องทุ่นแรงการทำความดีอย่าจนมันมีอะไรมาก็มองตรงกันข้ามความพเกีตรก็มีความขยันก็หมอนแดงก็มีความเพี่มแฉง คท้แท้ก็มีความอดทนชัดเจนไม่ท้อถอยอย่ายอมแพ้ยิ้มสู้อย่าเอาอะไรมาอ้างเพื่อทำความดีให้ขัดขวางความดีเช่นเราไม่สติเนี่ยอย่าให้มีอันอ้าง สติเนี่ยความรู้สึกความรู้เลือกได้ไม่มีริงไหนขวงกันได้เออถ้าหากว่าเราใช้ริงเวลอมไม่ถูกก็วขวงกัน้นในตัวเราก็มีเช็ดในวัฒนธรรมควางอหอนอนกวามละเลยสงสยัยกวามคิดพุ่งซ้อนไทบาท กาไมราคาทำไมเราทำไมขวงขันความบรรลุธทรได้เราก็มองตรงกันข้าวการมีสติมันมกกักจะมองเห็นถ้ามีความรู้สึกตัวมองเห็นทุกกรณีตั้งลักไว้ เข้าหาหลักหลักใจหลักการศึกษาคือความรู้จึกตัวเนี่ยแร่ว่าให้เป็นเอตตะคะในชีวิตของเราอย่าทะเลถลอยเหมือนเกือบลาหุน่นอะไรเกิดขึ้นศึกษาเห็นไหมไมเห็นใบไม้ร่วงก็ศึกษา นอกตัวในตัวมันบีความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนมาแสดงอยู่ความสุขควมทุกข์ความหลงความลัะความชังพอใจไม่พอใจการศึกษาเบื้องต้นการก้าวเดินก้าวแรกมี ให้เราศึกษามีสภาพที่รูมีสภาพที่หลงสภาพที่รูเป็นยังไงสัมผัสดูสภาพที่หลงเป็นยังไงสัมผัสดูอย่าเพิ่งเขยเลยละตรงนี้ให้ให้เห็นตรงนี้ชัดเจนมันก็ไปได้ถ้าไม่เห็นตรงนี้ชัดเจนคลุมเครือมันก็ไปไม่ได้วนเวียน เรื่องเก่าหลงแล้วหลงอีกปัญหาอันเก่ามีปัญหาแล้วมีปัญหาอีกถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยมันจะไม่หลงมันจะแกะเป็นเปาะเป็นโปะเป็นโปะไปมันก็แล้วเป็นชิน้นเป็นชิ้นไปมันเราก้าเดินไปก็ผ่านโน่นผ่านนี้ไปเอาสิ่งที่เราผ่านไปหลังอยู่เรื่อยกาเดินทางก็ มันต้องมีโอกาสผ่านที่ต่างๆได้การมีสติมันก็ผ่านมันไปแล้วไปสู่ขววงหลุดพ้นความหลุดพ้นเป็นหมายเลขหนึ่งใช่อันอื่นพ้นจากอะไรพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ ชีวิตของเราเรือว่าวิมุตตในปัญหาเกิดขึ้นก็มีวิมุตตปลดเปื้องไปมีการศึกษาป ร, ริยัตปฏิบัติปฏิเพศปริยัตลู่มันหลงศึกษาความหลงลูแล้วเปลี่ยนความหลงเป็นความลู่มีการปฏิบัต ถ้ามันหลงไม่เปลี่ยนไม่มีการศึกษาถ้ามันหลงตีอะไรลูกหรือว่าศึกษาขันทธทุละเป็นทุละปฏิบัติให้ลูกสืกตัวเลือกปฏิบัติเปลี่ยนได้ทําได้แล้วปฏิเวทพ่นแล้วพ้นควมหลงไปแล้วมีการปฏิบัติมีการปฏิยัดปฏิบัติทุกโอกาสเรือ่องทุละของเรา เราไม่ทุละเราไม่ทุละต่อเราอย่าทึกว่าเราไม่มีทุละทุละต่อเพื่อนมิตรขนขวยกิจทุละของเพื่อนภิกษุสำเนินอุบาสกบาจิกาอื่นด้วยสี่ไว้ร่อมอื่นด้วยคันธาทุละวิปัชนาทุละอย่างน้อยก็ต้องไม่ทุละสองอย่าง มีการศึกษาพัสูตรบ้างลำหนับลำนาบ้างอย่าไม่มีการศึกษาอันใดให้โอนใจถามอะไรก็ให้ได้บ้างบางโอกาสอย่างฝ่ายการศึกษาใน่ของมหายานเขาเจ๋งมากพัสูตรแต่ละจตรใน่ศึกษาอยู่หเดือนกําหนดเลย สูตรอะ่ก็ตามจ็ด ส, สัาสูตรนึงหกเดือนมีอาจารย์ประจำใส่ใจกันดูแลกันเขาก็ลุยดีเอเมื่อแต่มานั่งยองๆองยู่เดินนั่งหลับหูหลับตาอ ย, ยู่เขก็ไ ม, ไม่ไม่ใช่ะ อาการอย่างนั้นเสมอไปราะทีก็ลุยบ้างทำโน่นทำนี่บ้างแม่แต่สวดวันเขาสวดลอกเท่ายืนถึงบดสวด บ, บางบดก็โดนโล่มพระประธานตีคิกตีเ้าไปส่วนมากเกินอวาสิกาเป็นภิกษุณีเป็นผู้ น, นำเขาสงฆ์มีไม่มากภิกษุณีมีมาก มิสซูนี่ยืนประจําคิกโกงโกะอะไรต่างๆตามหน้าที่ววเราสวดมนตนี่เขาก็ก็ตื อ, ตอนร้อนเล่าตีลักขังเสียงวิ่งไม่ใช่เสียงเดินเสียงวิ่งจดจดจ ด, จ ด, จ ด, จดเขาไม่เดินแต่วิ่งนี่ยตีลักขังเขาก็มี วิธีปฏิบัติทีละครเขาก็ได้สวรรค์ได้อยู <ts> ่กับพระโอ้ก็ Amitofo Amitofo Amitofo Amitofo Amitofo a ต i พ o f o Amitofo a t o i t o f o o f i t o f o Amitofo a m i m i t o f o i f t a i o ทีก็ไปโปง้งโต้แบบน้ตัวอยากน้อยต้องยี่สิบนาทีตีละครเพง <laughs> าอ น, นั่นก่แล้วก็กรตือรือร้นถ้าตีละครตีสี่แล้วจะตีขิกเดินไปรอบบริเวณที่อยู่ของพระภิกษุอวสกศพิ ก, กุนีเจ้าวาดี่ย ได้เวลาเลยนอนอยู 3, ่ใกล้ๆกันโอถึงทีสามเสียงปิดเปิดประตูเคาะออกมาลงมาไรจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดไปคิดก็ตีสามก็กอก็เอินเว้ยานแม่บ้านแม่ขี้ผ่านก็กอก็ก็ก็ก็อออะไรอย่างน้อยตรง สอสิบนาทีสี่สิบนาทีเดินก็นมาเอาเดินก็นมาก็ไปนรักนั่งคัดสมาธิอยู่กับระครังแล้วก็หลังระครังเขาก็ไม่ต้องลุกมีที่ขอนแบบนี้นะก็ไม่เชื่อขู ก, กรูกระคังก็ไปนั่งสมาธิถึงเวลาเออไม่โตผู้ไม่โตฮ่าฮฮเ อ, อสนุกดีนะ ตงตก็ไปศึกษาเขาแต่ไม่รู้ภาษาอามิตรพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้าของเขาองค์หนึ่งเขาเข้าถึงพระมิตรพุทธก่อนจึงเข้าถึงพระพุทธเจ้าพิกษุณีถ้าบวชบวชได้ครั้งเดียวถ้าศึก้วบวชอีกไม่ได้ผู้หญิงจึงกระตือรือ้อนในการบวชแข่งขันกั น, กนไม่เจอหนุม่มๆสาวๆ จบสูงสูงกอนทั้งนั้นแล้วก็ดูแลกันดีพวกมีอายุหน่อยสร้างบ้านให้อยู่จะสร้างบ้านให้อยู่บ้านของใครของมันแต่ละคนมีรถจนตประจำตัวถ้เป็นพระอายุเจ็ดสิบปีเช่นหลวงตาเนี่ยเขาก็ปลดกรเสียนแล้วไม่ให้ว่าสะวัดโฉนดหรือ เขาปวดกระเจียนไม่ใช่แล้วให้อยู่กะทีหลังนั้นให้มีคนดูแลให้มีผู้ดูแลช่วยกันเราตายไปนับโด่เจ็ดสิบปดสิบหลังเฉพาะบ้านคนชลาคนเจอทั้งพระทั้งอุบาสกบาจิกาเราดูแลกันดีเพราะนั้นพวกเราเนี่ยห่างเหินกันเหลือเกินนะค่ายาใกลกัน โหสมควรทำไงเราจังใจมีการศึกษาให้มากมาชั่วโมงบางชั่วโมงก็มีการศึกษามีการศึกษาแต่พักสูดตามสตรต่างๆนักศึาก็ไปนั่งศึกษากับเขาแลวาวก็ตีละครังไปศึกษาก็ไปแต่ไม่รู้เรื่องแล้วก็เอาใจกันดีช่วยกันดีสนุกสนานไม่มปใครนั่งง่งเหงาหอน ตือ่อโลนชุ่นบานกันบางบทก็ก็สวยเป็นทํานองสารพันบางบทก็จับคิบเก็บข้อมาตีกันแล้วก็สนุกสนานไม่ไม่ซุ่มซุมไม่ซ่วงซุมเหมือนการศึกษาของเราเ็ราเราเวลาทำสมาธินี่็มักจะนั่งเอานอนร้องของไม่น้องนอน สยของคนเอเชียฝ่ายมหาานจีนที่เบตปังกเรียาญี่ปุ่นเขาไม่ใช่เดินจ้องจองแล้วเดินช็อปช็อปเนินไหวๆหลนตาก็เด้ใสจากเขามาบ้างเดินจังกไม่เดินชา บางทีหล้มตานับตัวนอยวินาทีหนึ่งได้ร้อยเก้าเ <laughs> นาทีหนึ่งได้ร้อยเก้านะเดินยังกบบ้าวอย่าไปเดินย่องย่องนะทําสมาธิก็หนักแท้นการทําสมาธิไม่ใช่วางใจวางอะไรทุกอย่างอ่อนแอถือโอกาสหลับตาไม่ใช่เวลาทําสมาธิหนักแท้นเอ้ยหมดเลยเหมือนเก็บข้อนหินทึบเป็นเดีย๋ยว บางคนทรรมาธิปล่อยเอวตกไปแล้วโคลตกไปแล้วหน้าตาตกไปแล้ ว, ไ, ล ว, าา ไ, ลวไม่ชืดบานเวลาทำสมาธิมันชืดบานนะมันชืดบานเหมือนกับฝน ล, ลินใฉ่หน้าชุ่มชืดตลดเวลาหน้าไม่จืดไม่ซีดนะ่ะคนทำสมาธินะ่ะถ้าทำสมาธิน่าจะซีดใช่ไหมล่ะ เอนโก็ตกแค่แม่ะฝึกตนสอนตนหลายลายอย่างเอาส่วนประกอบเพื่อให้สิ่งแวดล้อมสติให้งอกงามศรัทธาอย่าเหือดแห้งเอามเพียรอย่าลดละสินให้มั่นคงเหมือนชิลาแท่งทึบไม่เสเีอรน่ารัอย่าวันไว้ไรยางาโรคแปกก้งไเห็นไร แต่ยินทั้งหัวก็อยา ว, วกวกแวกกายมนโค้งซะก่อนออะไรทั้งตาก็อยาวัานไวหวหงหงหเลื่อยมาวัา น, ไวไวานไว้เลยไม่วันไหวเลื่อยมากับ ง, งานเสร็จมางานี้ดูวันจ้างองค์รัฐเลื่อยมาเลื่อยมามันจะเข้ามา ใ, ใต้เตียงก็เราหรือมันจะขึ้นมาหาเราก็เตียงขึ้น ตำๆไล่ดูวันอย่าเอาความกลัวความก้ามากับสิ่งแวดล้อมเห็นอะไรก็กล้าเห็นอะไรก็กลัวไม่ใช่ปกติดูไม่วานลอยแล้วก็อะไรเกิดขึ้นอย่าลกเล็กให้มั่นคงฝึกตนสอนตนเพื่อสติมันจะได้ไม่ทุกกระดี บางคนมีสติเวลานั่งยกมือสร้างจักรวรรไม่ใช่ตาเห็นลูกไมมีสติหูได้ยินเสียงก็มีสติใจหมกได้กลินก็มีสติลิ่นในรถก็มีสติกายสัมผัสจิตใจคิดก็มีสติโลกสติมันโลกนะไม่ใช่สติเหมือนกับตาเนื้อของเราสติเหมือนไม่ใช่ตาเนื้อสติมันเป็นหน้าโลก หาโลกก็จงก็ยังปฏิมุขขังสติเป็นหน้าโลกมาทางไหนก็รู้ทวานทวานบานมาก่อนถึงก่อนอกรับก่อนหัดให้อกรับก่อนความรู้สึกตัว อ, อกรับก่อนทำไม่รับก่อนไปก่อนอะไรแล้วยังใช่ไม่ได้เลยทัตติต้องถึงก่อนความหลงถึงก่อน ความความตกใจถึงก่อนความหวั่นไหวถึงก่อนความรักความชางังความมอใจความไม่พอใจถึงก่อนยังแค่ไม่ได้เลยนะศอนตัวเองตัว น, นั้นถ้าไม่สอนตัวเองตัว น, นั้นมันก็อยู่เนี่ยเป็นอนุบาลตลอดเวลาต้องฝึกขัดอยู่ตลอดเวลาปล่อยให้มันหลงมันโกรธมันทุกข์มันรักมันชังดีใจเสียใจอนุบาลแล้ว ความพอใจและความไม่พอใจเรือ่องอนุบาลอยู่ความสุขความทุกข์เป็นอนุบาลความอะไรต่ตางๆเป็นอนุบาลของชีวิตเราแก่ก็แก่เพราะจูดานไม่ได้แก่เพราะมีสติสัมมชัญญะรืองเฉียงน้องตาไป็นไงน้องตาก็จําเฉียงเตียงไม่ได้นะ เพี้ยนเยอะไหมคิด น, น่อยเพี้ยนไปเยอะหนอค อ, อ แ, แข็งแขบงคอแห้งแห้งมันไทรอยมันเสียไปแล้วเมื่อเลงกินมันก็หมดสภาพแล้วต่อไปกบก็เสียนจ้ะไม่ต้องพูดลรอกน ะ, ะให้ช่วยกันมีอาจาร ย, ะ ย, ะยะ์เยอะๆแต่ว่าก็อยากพูดนะ อยู่นี่ก็มีอาจารย์สอนกันอยู่ไม่มีใครสอนเราก็สอนเราเอไม่ใช่จะเราไว้คนอื่นสอนเราสอนตัวเองดีกว่าคนอื่นสอนเพราะไม่มีใครรูดตัวเราทั ก, กตัวเราคนสอนตัวเองเนี่ยคือสตินี่แหละบทเรียนที่ดีคือสตินี่มีสวมรู้สึกเนี่ยเป็นสติที่สุดเลยมันเห็นทุกอย่าง ไม่มีตรงไหนที่ปิดบังอำพางตัวเราได้ไม่ให้เห็นหมดความกลความโตกความหลงความทุกข์ความรกความชังกิเลสนาล่ครเราเห็นก่อนใครเราต้องทำหน้าที่ดูแลตัวเองให้ดีๆอย่าให้ประมาทอย่าเพิกเฉยเลยละปล่อยเนื้อปล่อยตัว ให้สุขทุกข์้ล็อกให้ชังให้พอใจไม่พอใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบนั้นไม่ได้ต้องล็อกนวลสงวนตัวเป็นผอมจันตัวมจันไม่เปื้อเพื่อนกับเสียงได้มีสติมันเป็นการประพฤติผอมจันมีสติมันเป็นนักบวชเป็นอบายในคขมะดำริ ไปเจอความชั่วไปสู่ความดีก็มไม่ต้องหว่าวความชั่วความดีหรอกมันก็มีในตัวขณะเดียวกันมีสติก็ละความชั่วมีสติก็ทําความดีขณะเดียวกันเลยโอกาสเดียวกันย่ญญาปล่อยมันมีโอกาสทุกสนชีวิตเรานะดูเลยตัวดูตัวเองเนี่ยมันทุกสนมากต้องด่าตัวเองเลยบ้าเอ้ยบ่เอ้ยบ่เอ้ยว่ า, างท <laughs> ุกสน ด่าตัเงไม่มีรสชาติดีนะด่าเพืนอนจะไปด่าก็เถอะให้รักกันดีกว่ามองกันเหมือนอะไรดีๆถ้าจะว่าสวรรค์อยู่นี่ก็เป็นสวรรค์หกชั้นได้ถ้าจะเป็นพร ม, มโลกก็สิบหกชั้นอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่ใดสวรรค์หกชั้นพร ม, มโลกสิบหกชั้นอยู่ในชีวิตเราเลย อย่าไปอาศัยเบื้องหน้าชาติหน้าที่ไหนเดี๋ยวนี้สวรรค์หกขั้นก็เดี๋ยวนี้มองกันมองกันแบบเมืองสวรรค์ไปแล้วอย่างนั้นจริงๆนะไม่มีอะไรเลยโลกเนี่มันก็เป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองสวรรค์เจ็หกขั้นเป็นพบุโลกเจ็กขั้น เมืองสวรรค์ก็เริ่มต้นจากมีความรู้สึกตัวมีหิลิความละอายมีความไม่กล้าํำชั่วคิดชั่วผมโลกก็เต็มไปด้วยเมตตากรุณาคชด่ะช่วยกันรักทุกที่ทุกทางรักเป็นหินเม็ดายรักทุกอย่างไม่มีขอบเขตผมโลก ไม่มีกอเพียรในความหลักรลักเราไม่ใช่รลักแบบอแหลอ่อนรักเพื่อให้เกิดความไม่เบียยเบียนแสดงออกด้วยอย่าไปหาพมโลก16ชกขั้นอย่าหาสวรรค์เจ็กขั้นอ่าสวรรค์หกขั้นเนี่ยอะไรบ้างสวรรค์หกขั้นนะฮะอ่า เจตังา <mat ill Otto> ิกาอะไรอมมานังเทวานังสัตตังสัมพัทมราวังจ้าตังาิกาจิกาดางชายามาดุจิตตาพลิมิสวัสดีพลิมิตต์สวัสดีวันหยู่อะไรนี่ยหยที่ไหนอยู่ที่ตาหูจมูกเล่นกายใจเอาตาเอาหูเอาจมูกเล่นกายใจมาสร้างสวรรค์ เอาน้ำใจตาหูจูเรื่องการมาสร้างพมลโลกมีอยู่ที่นี่ใจก็มีเมตตาก็นะตาก็อย่ามองอะไรที่เป็นพอใจไม่พอใจมองอะไรให้มันเลื่นเลื่นเอาเนินทาหูก็มองเลื่นเลื่อนอย่าไปมองแบบบวกแบบลบแบบพอใจไม่พอใจให้มันลาบลื่น ได้ประโยชน์อาเนินทาก็ได้ประโยชน์ความทุกข์ก็ได้ประโยชน์อะไรที่มันเกิดโทษภัยออกม า, าเป็นประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าศึกษาหรือ่อคันทะทุละถ้าเป็นโทษมาเป็นโทษไม่มีคันทะทุละเป็นคันทะทุละ เอามาเป็นการศึกษาศึกษาถลุงย่อยออกจะให้โทษเป็นโทษเอามาเป็นสิ่งเป็นประโยชน์การถอยวิปัสสนาธุละทำให้แจ้งปฏิบัติปฏิยีตดปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทหลุดพ้น มันหลงหลุดพ้นจากความหลงมันทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์มันโกรธหลุดพ้นจากความโกรธให้พ้นตรงนี้ไม่พ้นที่ไหนให้พ้นที่นี้มันมีสิ่งที่ทาให้หลุดพ้นทุกวันทุกเวลาชีวิตเรานะสนุกสนุกดีศึกษาธรรมะมันไม่ฟรีมันการศึกษาเดินต้องรอคอย อาชีพยอย่างอื่นต้องรอคอยฝากฝังไว้กับปัจจัยภายนอกแต่การเสด็จธรรมะเน่ยมันไม่มีการรอคอยเป็นปัจจิตตังทันทีนขอแหบวัดความนันได้ร้อยหกสิบเอ็ดเจ้าจันทบุตรตอนเย็นเมื่อวานได้ยี่สิบเก้าตอนเช้าเมื่อวานได้ร้อยห้าสิบ เอวันนี้มันดีเหลือเกินทำไมมันขึ้นล่อยหกสิบอ่ะก็ะดีก็ไม่แน่นอะอ้านี้ก็พอนะ <laughs>